ขอความสุขความเจริญทุกมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนําเสนอสมาทิทฐิสูตรในมัชฌิมานิกายมูลปันาตคือพระสูตรทุกๆสูตรในวักนี้เป็นพระสูตรที่ค่อนข้างยากแต่ก็เป็นพระสูตรหลัก หมายความว่าอาจจะเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็ดำเนินไปโดยลำดับมีความยาวมากในส่วนของสมาธิทฐิสูตรนั้นพระสารีบุตรเทระได้แสดงในรูปของลำดับแห่งปฏิจจสมุปบาท ปฏิจจสมบัติที่จริงก็คือหลักของอริยสัจสี่นั่นเองมันก็มีทั้งสายเกิดและก็สายดับสายเกิดก็เริ่มมาจากอากุศลก็คือวิชาสายดับก็เริ่มมาจากอกุศลก็คืออริยมรรคมีอง์ปประกาศทีนี้การแสดงของพระเทระนั้นเป็นการแสดงในลำดับที่เรียกว่า เริ่มต้นที่กุศลกับอกุศลก่อนแล้วจากนั้นก็มาเริ่มต้นที่อาหารซึ่งอาหารนั้นในปฏิจจสมบาทก็คือผัดสะก็คือการกระทบนั่นเองประรอบของคำว่าอาหารแปลว่าสิ่งที่นำผลมา พัอาหารที่เราดื่มกินลิ้มชิมเข้าไปก็เรียกว่าการลิงก์กราหารอาหารที่เรารู้ในเรื่องนั้นๆันต่นางประสาทสัมผัสก็เรียกว่าวิญญาณอาหารแล้วก็การกระทบกันระหว่างประสาทสัมผัส เก ย, ยตนาภายในภายนอกวิญญาณรวมกันก็กลายเป็นผัสสะเลยก็เรียกว่าผัสสาหารอาหารคือผัสสะและเจตจำนงความมุ่งมั่นความตั้งใจจนถึงมุ่งมั่นปรารถนาการจุติการอฏบัติในพบชาติต่างๆที่เราพอใจ เป็นเจตจำนงก็ เ, เรียกว่าเป็นมนสันเจตนาหารก็รวมแล้วก็กลายเป็นอาหารสี่ประการก็หมายความว่าข้ามพวกอายตนาภายในภายนอกวิญญาณไปก็ไปลงที่ภัสสะ ด้วยคำว่าอาหารแล้วก็จากอาหารก็มากลายเป็นปฏิจจสมบัติในสายที่ถอยหลังมาก็คือเป็นการแสดงความจริงตามสมควรแก่องค์ธรรมนั้นๆ คือแต่ละข้อแต่ละตอนเนี่ยก็จะผู้ศึกษาจะรู้สึกบ่ญยาต่อการทำความเข้าใจแล้วก็พูดถึงชรามรณะคือความแก่ความตายซึ่งก่อสืบเนื่องมาจากชาติตนีชาติเองก็อสายสังขารภพก็คือบุญบาปประเนินชา ก็สร้างให้บังเกิดขึ้นเรียกเป็นละตอนว่าเป็นวาระวาระวาระก็กลายเป็นภพแต่ภพมันก็มีสองประเภทประเภทหนึ่งคือสังขารภพได้แก่บุญบาปะเนินชาดครับปเนินชาก็คือรูปประชานแล้วก็อุปัติภพคือภพที่สัตว์ อายไปบังเกิดในตรงนี้บางช่วงเราอาจจะได้ยินคำว่าริญญาณทิติที่ตั้งกองวิญญาณบางครั้งก็อาจจะเรียกว่าสัตวาดาว่าคือที่อยู่ของสัตว์ก็หมายความมาพบนั่นเองอภพบก็แปลว่าความมีความเป็น ทีนี้พวกนี้มันก็มาจากอุปท า, านตามกระบวนการปฏิจจสมุบัทนั้นหมายความว่าเป็นการเริ่มมาจากชรามรณะคือหมายความว่าก็นับถอยหลังคล้ายๆกับเบีย น, นี้เราก็อายุมากแล้วเวลาทรงแสดงก็แสดงถอยหลังไปถอยหลังไปจนถึงรากงาวที่มาของเราก็คืออวิชชา ทีนี้จาอุปาทานถามอุปาทานนั้นเกิดมาจากอะไรก็เกิดมาจากตัณหาตัณหาสามประการนั่นแหละแต่มันเกิดในรูปเสียงกลิ่นรสผทธภัณธรมารมในกรณีนี้ก็เรียกทั้งสองประการคือหมายความว่าตัณหาสามด้วยแล้วก็เรียกเหตุเกิดที่เกิด ของตัณหาทั้งสามด้วยก็คือการเห็นรูปผูคฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องเย็นร้อนนอนแข็งใจสึกนึกถึงธรรมารมแล้วก็แต่แสดงให้เห็นว่าพอถึงจุดนี้คือความทะเยอทะยานอยากทั้งหลายเนี่ยจากนั้นเวทนาก็เกิด ตัณหาก็เกิดก็เกิดตามเมื่อเมื่อเมื่อตัณหามันดับก็เวทนาก็ดับก็เทเวทนาดับตัณหาก็ดับหรือว่าตัณหาดับเวทนาดับก็แล้วแล้วแต่เขาเรียกอนุลโลมหรือปฏิโลม มาความมาพูดจากหัวมาหาปลายหรือจากปลายมาหาหัวเพราะฉะเราจะพูดว่าวิชาดับเวทนาดับตัณหาดับหรือว่าตัณหาดับเวทนาดับก็ก็คือกันเพราะว่าเป็นสองสายคือสายเกิดและก็สายดับก็ในสายเกิดที่จริงก็พูดที่วิชาก็ได้แต่ว่า ตามปกติแล้วก็จะพูดทีการดับการดับของอวิชชาแต่เราก็ต้องมองต่ อ, อว่าอวิชชามันดับเพราะอะไรมันดับเพราะวิชามันเกิดก็กลๆ ก, ก, กับแสงความมืดมันหายไปได้ยังไงก็เพราะแสงสว่างมันเกิดคือจะพูดหรือไม่พูดก็เป็นที่รู้กันว่ามีแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดมันก็ดับไป ทีนี้จากนั้นพระเถระก็ภิกษุภิกษุก็กราบเรียนนะฮะคือกราบเรียนทุกประเด็นแล้วถามว่ายังมีเหตุอย่างอื่นอีกบ้างไหมตามที่พระเถระได้แสดงมาแล้วนะ่พระเถระก็บอกว่ายังมีแล้วก็กล่าวว่า ด้วยเหตุที่อริยสาวกรู้ชัดเวทนาเหตุเกิดเวทนาความดับแผงเวทนาและข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับเวทนาก็หมายความว่าตัวเวทนานั้นเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากกิเลสอะสืบเนื่องมาจากสมุทยัยเพราะว่าเหตุได้เกิดก็คือตัวสมุทยัย ความดับเวทนาก็คือเป็นผลมาจากการกระทำให้สมบูรณ์ในอริยมรรคก็เกิดเป็นนิโรธขึ้นและข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับเวทนาก็คืออริยมรรคในองค์แปประกาศเพียงเท่านี้แหละคุณอริยสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นทรง ประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่ครอนแคลนมาสู่พระสัทธรรมนี้ปิสุก็ถามว่าไม่ใช่พระเถระก็ถามว่าคุณเวทนาคืออะไรเล่าเหตุเกิดแห่งเวทนาคืออะไรเล่าข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความความดับแห่งเวทนาข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับแห่งเวทนาคืออะไร พระเถระก็ตอบว่าเวทนามีหกประการคือเวทนาเนี่ยในกรณีที่เรียกว่าหประการหมายความว่ามันเกิดมาจากการสัมผัสระหว่างอายตนาภายในกับภายนอกเวลาบาลีเรียกเต็มเต็มเนี่ยเขาเรียกว่าจักขุสัมผัสสชาเวทนาเป็นต้นนะ แปลว่าความสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจากสุสัมผัสเป็นปัจจัยแม้อันใดแต่ว่าเวลาแยกเวทนาเนี่ยก็สามารถจะแยกเป็นหนึ่งก็ได้นะฮะเป็นสองก็ได้เป็นสามก็ได้เป็นห้าก็ได้เป็นหกก็ได้เป็นเก้าก็ได้เป็นส8บปดก็ได้ตลอดจนถึงน้นแหละร้อยแปดเป็นเวทนาร้อยแปดทีนี้เมื่อ เวทนานำไปสู่ตัณหาตัณหาเองก็ถูกย่อยเป็นร้อยแบบได้เหมือนกันเพราะอยู่ในโครงสร้างเดียวกันแล้วก็อยู่ในกระบวนการเดียวกันทีนี้ประเทราค็บอกว่าเพราะผัสสะเกิดเวทนาจึงเกิดเวทนาเกิดเพราะสัมผัสทางใจ หมายความว่ามันซ้ำผัสทางตาทางหูทางจมูกลิ้นทางจ ม, มูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจเพราะผัดสาเกิดเวทนาจึงเกิดเพระพาะผัสสาดับเวทนาจึงดับอริยมรรคในองค์แปดคือสมาธิที่เป็นต้นจนถึงสมาสมาธิเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับเวทนาก็ทุกข้อเนี่ยเกิจะลงที่อริยสัจสี่ มาสุรวมลงเทีอริยสัตสีม<า>เมื่อใดอรียสาวกู้ชัดเวทนาเหตุเกิดแ ห, ห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาแล้วข้อปฏิบัติได้ถึงสึ่งความดับแห่งเวทนาดังนี้เมื่อนั้นพวกกิเลสประเภทต่างๆในที่นี้ก็ปเถราก็นำพวกอนุสัยเจ็ดบางทีก็นำสังโยชน์สิบแต่ในในที่นี้พูดถึงอนุสัยเจ็ด ก็คือโลภวนหลงนั่นแหละดยเพียงเท่านี้แหละอริยสาวกชีว่าเป็นผู้มีความเห็นชอบมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่ครนแครนมาสู่พระสัท ธ, ธรรมนี้ในข้อต่อไปก็พูดถึงผัสสะผัษาะคือการกระทบกันระหว่างอัตตนาภายในภายนอกวิญญาณนะสามอย่างกระทบกันแล้วก็เรียกว่าผัสสะ กระทบครั้งแรกก็คือเรียกว่าวิญญาณพอกระทบพอจากจากนั้นไปที่ที่จริงจากนั้นไปมันก็เป็นสัตสัตปรานั่นแหละแต่ว่ามันเป็นเรื่องเร็วมากท่านก็บอกว่าอาศัยทำสามประการแรกเนี่ยคือยตนตาภายในหกภายนอกหกกับวิญญาณหกมาประจบกกันก็กลายเป็นผัสสะ ทีนี้เมื่อรู้ชัดเวทนาเช่นนี้แล้วก็จะทำให้เข้าใจสิ่งทั้งหลายถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะว่ามันก็เดินไปสู่อริยมรรคกันแหละคือรู้เวทนาเหตุเกิดเวทนาความดับเวทนาข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับแห่งเวทนาที่จริงก็แต่ละข้อก็คืออริยสัจสี่ 4, ตามลำดับนั่นเอง ทีนี้ดังก็พูดถึงผัดสะภิกษุทั้งหลายก็กราบเรียนว่ายังมีเหตุอย่างอื่นอีกบ้างไหมพระสารีบุตรก็ตอบว่ายังมีอยู่แล้วก็ได้กล่าวว่าด้วย เหตุที่อริยสาวกรู้ชัดซึ่งผัสสะเอกุเกิดแห่งผัสสะความดับแห่งผัสสะและข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับแห่งผัสสะก็สีเหมือนกันก็คืออริยสัจสีหมายความว่าผัสสะรู้ชัดซึ่งผัสสะก็เป็นทุกขสัตรู้ชัดเหตุเกิดแห่งผัสสะก็คือรู้สมุทัยสัตรู้ความดับแห่งผัสสะก็คือรู้นิโรธสัจแล้วก็รู้ข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับแห่งผัสสะก็คือ รู้อริยมรรคมนองแปดประการด้วย เ, เพลงเท่านี้นี่แหละคุณอริยสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นชอบมีความเห็นเที่ยงตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่ครอครคลนมาสู่พระสัจธรรมนี้จากนั้นภิกษุก็ก็ถามว่าภาษาคืออะไรเรา ท่านก็ตอบว่าเหตุเกิดแห่งผัสสะความดับแห่งผัสสะข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับแห่งผัสสะก็คือคือจักขุสัมผัสโสตะสัมผัสขานาสัมผัสจิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสคือสัมผัสต่างดาวหูจมูนึงกายใจเพราะอายตนะเกิด ผัสสะจึงเกิดเพราะอายตนะดับผัสสะจึงดับอริยสัจอริยมรรติองแปดประการคือสมาธิที่เป็นต้นจนถึงสมาสมาธิเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่ ง, วงความดับแห่งผัสสะอริยสาวกรู้ชัดผัสสะเอกเกิดแห่งผัสสะความดับแห่งผัสสะข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับแห่งผัสสะอย่างนี้เมื่อนั้นเธอจะละราคานุสัยเป็นต้น คือพวกกิเลสนี่จะเรียกจํานวนอาจจะมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่แต่สรุปแล้วก็คือโลกโลกรธลงเรานึกถึงบทสรุปไปเพราะว่าแต่เราจะต้องไปจําว่าอนุสัยมีเท่าไหร่อนุสัยเจ็ดคืออะไรบ้างสังโยชน์สิบคืออะไรบ้างเอยียงนิวรณ์ห้าคืออะไรบ้างอุปกิเลสสิบคืออะไรบ้างอย่างนี้มันก็ ของมันซ้ำกันเนะียเพียงแต่ว่าสภาวะหยาบกลางละเอียดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ในที่นี้พระเถระก็มุ่งอธิบายหมายความว่าภิกษุฟังแล้วเข้าใจตอนแ้วเข้าใจทางการอธิบายเท่านั้นแต่ภาษาดิบุตรตามปกติแล้วจะแสดงธรรมไม่ง่าย มาความมาเรื่องที่นำมาแสดงจะ ย, ยากแล้วก็วิจิตพิสดารอธิบายขยายความออกไปโดยละเอียดในแต่และเรื่องที่เป็นผลงานของท่านเนี่ยผลงานของท่านเยอะมากก็เรียกว่ารองจากพระพุทธเจ้าแหละในภาษาบิดิกเองก็มีเป็นเล่มๆไม่ใช่ว่ามีจะเป็นเบนมสูตรอย่างนี้จะมีเยอะจะกระ จ, กระจายอยู่ในพริดก ที่เป็นผลงานก็งท่านโดยตรงเช่นยุลนิเทศมานิเท ศ, เทศปฏิสัมพิธามา ก, กอะไรต่างๆก็เป็นผลงานของท่านแม้แต่อภิธรรมก็พูดว่าเป็นผลงานของท่านแต่ว่าตัวบทตั้งตัวบทหลักก็คือเป็นบาลีพุทธวจนะนั่นแหละแต่บามีการนำมาอาธาิบายขยายความออกไปโดยพระเถระ เมื่อได้แริยสาวกรูช้ชัดผัสสะเหตุเกิดแห่งผัสสะความดับแผงผัสสะข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับแผงผัสสะอย่างนี้หมายความว่าเห็นอริยสัจสี่ที่ผัสสะเป็นตัวเป็นตัวตั้งเป็นตัวกำหนดพินิจพิจารณาก็หมายความว่าแต่ละข้อในปฏิจจสมบัสิบสองสิบสองหัวข้อเนี่ยตั้งแต่ ชาติชร า, ามาจนมาถึงวิชาเนี่ยมั่นก็เป็นเหตุให้เป็นจุดเริ่มต้นของการรู้อริยศาสตร์สี่ตามความเป็นจริงได้ด้วยกันคนทุกขอ้อพระเถระก็เน้เนย้ำยนย้ำเหมือนกันทุกขอ้อข้อต่อไปสลายตนะก็ที่จริงสลายตนะก็แปลว่าอายตนะหกะนะ โดยปกติเราก็เรียกว่าอายตนะแต่ว่าสำนวนในปฏิจจสมุบาตจะเรียกว่าสลาอายตนะก็แปลว่าอายตนะหกพิสุก็กล่าวเรียนว่าแต่ท้าวรับยังมีเหตุอื่นอีกบ้างไหมพระสารีบุตรก็ตอบว่ายังมีอยู่ด้วยเหตุที่ระยะสาวกรู้ชัดอายตนะห เหตุเกิดแห่งอายตนะหความดับแผ่งอายตนะหกข้อปฏิบัติได้ถึงเรื่องความดับแผ่งอายตนะหกแต่กังงจะเจอคําที่เขาเรียงมาเป็นชุดเนี่ยขันธ์ธาตุอายตนะอินทรียสัจจะอะไรตไร่างๆมันพวกพวกนี้มันเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดน่นจะเรียกชื่ อ, อยังไงก็ตามสรุปแล้วก็เป็นนามกับรูป รูปธรรมก็นมามธรรมเวลาพิจารณาจุดใดจุดหนึ่งในกระบวนการของรูปมันก็รู้เห็นรูปอย่างอื่นตามความเป็นจริงเช่นเดียวกันเพราะพอเกาะกลุ่มมันก็คือรูปเช่นท่านนิยามว่าลักษณะใดมีความแข็งแข็งนั้นเรียกว่า ปัตตวีธาตุคือธาตุดินอะไรก็ไม่รู้ทั่วโลกเนี่ยมีชีวิตไม่มีชีวิตไม่เกี่ยวแต่ว่าถ้ามันมีลักษณะแข่นแข็งก็คือธาตุดินลักษณะไหลซึมเอิบอับไปมาได้เรียกว่าธาตุน้ำน้ำอะไรก็ไม่รู้เราสรุปรวมอะไรก็คือธาตุน้ำนั่นเอง เป็นปริยายแห่งธรรมะที่ทรงจำแนกแสดงเป็นระดับตามวุฒิภาวะของผู้ฟังหมายความว่าผู้ฟังจะสามารถเข้าใจได้โดยการสื่อสารอย่างไรก็จะมีการยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามควรแก่ผู้ฟังในทีนน่นั้นๆเพราะเราจึงพบเรื่อง พบเรื่องว่าองค์ธรรมซ้ากันเยอะก็มันซ้าอยู่แล้วนะเพราะว่าธรรมะทั้งหลายจริจริงมันก็อยู่ในที่กายวาจาใจของเราเนี่แหละก็ไม่ดอยู่ที่ไหนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ที่กายวาจาใจนี่เลข้างนอกตัวเราก็เป็นกายวาจาใจถ้ามีชีวิตก็เป็นกายวาจาใจไม่มีชีวิตก็เป็นกายเป็นรูป ก็คือกันทีนี้ในอญญายตนาพระเทวะก็แสดงว่าด้วยเหตุที่อริยสาวกรู้ชัดอญญายตนาทั้งหเหตุเกิดแห่งอญญายตนะทั้งหความดับแห่งอญญายตนะทั้งหและข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับแห่งอญญายตนาทั้งหก็คืออริยสัจสี่นั่นแหละหมายความว่าเห็นอริยสัจสี่คือทุกขสัจที่ อายตนะจะข้อใดข้อหนึ่งก็าตามฮะอาจจะเห็นที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายอะไรก็ตก็คือกันก็คือรูปรูปด้วยกันเป็นอายตนะด้วยกันแล้วก็ด้วย เ, เพียงเท่านี้แล้วสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นชอบ มีความเห็นทรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่ขรอนแครนมาสู่พระสัทธรรมนี้แล้วก็พิสุก็ถามว่าอยายตนะทั้งหกคืออะไรแล้วเหตุเกิดแห่งอยายตนะทั้งหกคืออะไรแล้วข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับแห่งอยายตนะทั้งหกคืออะไรแล้วอะเตระก็ตอบ ว่าอายตนะคือตาอายตนะคือหูอายตนะคือจมูกอายตนาคือลิ้นอายตนะคือกายอายตนะคือใจเพราะนามรูปเกิดเพราะนามรูปเกิดสลายตนะจึงเกิดอันนี้มาส่วนหัวของปฏิจจสมบัติแล้วนะฮะเราจะเห็นว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิด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 เจนีอรยมรรคไปองแปดประกาศมีสมาธิถิจนถึงสมาสมาธิที่บุคคลกระทำให้สมบูรณ์เป็นมรรคภามังขีคือเป็ น, น, นหนึ่งนเดียวกันก็จะเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าถึงจุดสมบูรณ์ของอริยมรรคไปองแปดประกาศอา ย, ยตนะก็ดับ หมายความว่าจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในอาณาจักรว่าเป็นของเรามันก็ดับแต่ว่าตาไม่ได้บอดนะฮะคือว่าตาก็ยังเห็นอยู่นั่นแหละแต่ว่าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่มีการไขว่คว้าปรารถนาอารมณ์ปรารถนาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถรูกต้องยินร้อนนอนแข็งที่เราชอบเราใคร่เราปรารถนาเราพอใจ ทีนี้ข้อต่อไปก็คือนามารูปภิกสุก็กลับทูลถามเหมือนเดิมกลับเรียนถามเหมือนเดิมว่าแต่เท้ายังมีเหตุอย่างอื่นอีกบ้างไหมพระเถระก็บอกว่ามีแล้วก็บอกว่าด้วยเหตุที่อริยสาวกรู้ชัดซึ่งนามารูปเหตุเกิดแห่งนามารูปความดับแห่งนามารูปความปฏิบัติ ถ, ถึงสวรราแห่งนามารูปก็คือรู้อริยสัจสี่ที่นามารูป รู้ครบกระบวญ น, นะฮะรู้ตัวสถานะมันคือคือตัวนามารูปเนี่ยเวลาศึกษาก็ศึกษาตัวนามารูปเหตุเกิดเองานามารูปความดับแห่งนามารูปแล้วข้อปฏิบัติได้ถึงเรืองความดับแห่งนามารูปก็หมายความว่ารู้อดิยสัจี แต่มีจุดตั้งที่นามาูปที่จงนำรูปของก็หมดแล้วนะครับนรูปก็หมดแล้วแล้วก็ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยส า, าวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในสัตย์ในสัธรรมไม่ครนแครนมาสู่พระธรรมอีนในนี้ พิสุก็ถามานามารุปคืออะไรพระเทรซก็บอกว่าพ อ, อไม่ใช่พิสุก็ถามครบชุดเนยนะฮะว่านามารูปคืออะไรเหตุเกิดแห่งนามารูปคืออะไรความดับแห่งนามารูปคืออะไรแล้วข้อปฏิวัติได้ถึงซึ่งความดับแห่งนามรูปคืออะไร พระเทราก็ตอบว่าเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมานสิการทั้งห้าอย่างนะฮะพวกนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นกลางๆเป็นอภิยากตธรรมเป็นอภิยากกรีฑคือกลางๆไม่ดีไม่ชั่วเวทนาสัญญาสังขารเจตนาผัสสะมานสิการเนี่ยตัวเขาไม่เป็นกุศลหรืออกุศลแต่เขาก็เป็นกลาง เมื่อเป็นกางกลางมันก็พร้อมที่จะถูกปรุงด้วยกุศลหรืออกุศลก็ได้กแล้วแต่ว่าเป็นพวกเวทนาสัญญาเยตนาผัสสะมนสิการของใครถ้าเป็นของปุถุชนมันก็สวดมากก็ถูกปรุงด้วยกิเลสของพระญาบุคคลท่านไม่มีกิเลสเป็นเหตุไปปรุงท่านก็สักแต่ว่าอายตนา สักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าสัญญาสักแต่ว่าเจตนาสักแต่ว่าผัสสะสักแต่ว่ามนุสิการก็ไม่ได้เอาความคิดเหล่าเนี้ยมาปรุงคิดคิดปรุงไปแต่ประการใดทั้งหมดเนี่เรียกว่านา้ำห้าอย่างนี้เรียกว่านา้ำแล้วก็ธาตุสี่คือดินน้ําลงไฟเนี่ยเรียกว่ารูปแล้วก็รูปอาศัยคือปัฏฐานรูปยี่สิบสี่เนี่ย ก็คือส่วนประกอบของร่างกายอาการต่างๆของร่างกายนี่แหละก็เรียกว่าอุปาทานรูปทั้งนี้นามรูปเรียกว่าเพราะวิญญาณมันเกิดนามรูปจึงเกิดเพราะวิญญาณมันดับนามรูปจึงดับอ น, นิยมักคเบื้องแปดประการก็คือข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับไปของนามรูป เมื่อได้เริยาสาวกรู้ชาติซึ่งนามารูปเพจเกิดแห่งนามารู ป, ป, ามมารปความดับแห่งนา ม, มารูปข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับแห่งนา ม, มารูปอย่างนี้เมื่อนั้นเธอจะละราคานุใสเป็นต้นด้วยประการทั้งปวงด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละเรียาสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นชอบมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัทธรรมนี้ หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนี่ยคือตาบใดที่ยังไม่เห็นอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงหมายความมาเห็นแล้วละกิเลสได้นะเห็นตามความเป็นจริงนี่คือละกิเลสได้ยังน้อยก็ละกิเลสได้ขาดก็คือประโสดบันขึ้นไปประสดบันท่านก็เห็นอริยสัจสี่ แต่เป็นความเห็นด้วยผลของศีลสมาศีลที่สมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณก็ละสังโยชนได้สามข้อแต่ถ้าคนทั่วไปเราจะเห็นว่าไม่ไม่แนกแน่นมัง่งคมั่งคงเท่าไหร่มีปัญหาที่ปรารบเรื่องราวของศาสนากัน ก็ได้ไประยุพูดคุยกันเรื่องการลุกคือพรานของาศาสนาบางาศาสนาในประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการต่างๆไปเยอะตอนนี้ตอนนี้ก็ใช้วิธีลุกทางกฎหมายหมายความว่าเป็นสิทธิพิเศษเป็นมนาะพิเศษก็คล้ายๆกับคนไทยเนี่ย มีหน้าที่ในการฏิบัติตามกฎหมายแตกต่างกันเดอะกรรมฐ า, านในการตัดสินก็แตกต่างกันก็ทำให้เราเห็นว่าความนับถือาศาสนาของาศาสนิกบางาศาสนาเขานับถือเอาจริงเอา จ, จังแต่ว่าเขาจะรอบรู้ลึกซึ้งขนาดไหนเราก็ไม่รู้นะเพราะว่า ถ้าเข้าใจลึกซึ้งในาศาสนาเนี่ยไม่น่าจะมีความกล่าวราวรุนแรงพระการอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงเนี่ยว่าเมื่อ เ, าเราละบาปบำเพ็ญบุญทําจิตได้ผ่องใสแล้วเนี่ยปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นก็ต้องไม่เป็นการกล่าวร้ายไม่เป็นการทำลายคนอื่น แล้วก็ในส่วนตัวเองจะต้องไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนเพราะการฆ่าการเบียดเบียนก็คือการเบียดเบียนอยู่แล้วเป็นการกลร่าว้ายเป็นการทำลายตัวคนอื่นอยู่แล้วแต่ก็ศาสนาในโลกก็มีบางศาสนาที่ใช้เงื่อนไขทางศาสนาของตัวเองก็เกนฆ่าทาลายล้างเพื่อนร่วมโลกไปเป็นจานวนมาก แล้วก็ไม่หยุดะ่ไม่หยุดกับข้าข้างเขาเลยถึงอาการในพระพุทธศาสนาเราไม่ได้สอนในลักษณะนั้นคือการกล่าวร้ายการทำลายมันเป็นอาการของกิเลสก็แสดงว่าผลจากการปฏิบัติเธอก็ยังไม่สงบจากกิเลสเธอยังตกอยู่ภายใต้าการบงการของกิเลสอยู่ ย่าถือว่าเคร่งก็ไม่เคร่งเพราะแต่เคร่งความเปลี่ยนแปลงในชิงพฤติกรรมต้องไม่กล่าวลายต้องไม่ทำลายแล้วก็สนย์คนแต่ละคนนั้นจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนใครในเบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็สรุปรวมง่ายว่าพูดดีทําดีคิดดีแต่เมื่อไม่เป็นอย่างนั้นก็เป็นที่น่าสงสัยว่า เคร่งครัดต่อศาสนาจริงหรือเปล่ารู้สาระธรรที่แท้จริงของศาสนาที่ตัวเองนับถือหรือเปล่าแล้วก็จงตามเจตนารมณ์ที่ศาสดาท่านสอนหรือเปล่าคือธรรมะนี่ที่จริงมันบางเรื่องมันเป็นเรื่องการลาเทศะอย่างวินัยในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องการลาเทศะ เรื่องเป็นนันมากที่มันพอถึงจุดหนึ่งมันก็ไม่ต้องปฏิบัติเช่งการถวายผ้าอังน้ัฝนแก่พระสงฆ์เนี่ยก็ก็ถวายในช่วงที่ข้าพัารษาพอออกพรรษาไปแล้วก็จบไปสี่เดือนถึงกลางเดือนสิบสองเนี่ยก็จบละ ก็ไม่เรียกผ้านั้นว่าเป็นผ้าอาบน้ำฝนแต่ว่ากลายเป็นเครื่องใช้นะเป็นบริการนั่นแหละแต่ไม่เรียกว่าผ้าอาบน้ำฝนก็เป็นเรื่องเฉพาะการการสวมรองเท้าไม่สวมรองเท้าอะไรต่อะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องกาลกษตรศาสเพราะฉะนั้นพอคำสอนในศาสนาใหนก็ตามมันจะมีเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะกิจ เป็นคำสอนเฉพาะกรณีในกรณีนั้นๆปวิธีที่ถูกต้องคืออย่างไรแต่ของพระพุทธศาสนานี่ถ้าเกี่ยวกับชีวิตแล้วเนี่ยมันยอมสละชีวิตตัวเองแต่ไม่ยอมฆ่าทำลายคนอื่นึ่งอุปมาว่ามันเหมือนกับคนเอาเลื่อยมาตัดตัวเราเ และเรารู้สึกโกรธต่อเขาเราก็ผิดแล้วนะฮะเราก็ผิดละโดยไปได้ทําอะไรเขาเลยไม่ได่าว่าอะไรเขาเลยก็ปล่อยเขาตัดไปแต่ถ้าราโกรธเราก็ผิดละนั่นคือคําสอนที่บริสุทธิ์จริงๆเป็นการมองสัพพิชีวิตเป็นสากล เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอย่างแท้ จ, จริงไม่ใช่ว่าตัวเองสามารถจะทำาทํออะไรก็ได้ไ ม, ไม่บาปไม่ผิดแต่ถ้าคนอื่นทำแล้วก็บาปก็ผิดตัวเองคนอื่นทำตัวเองไม่ได้แต่ว่าตัวเองทำคนอื่นได้อย่างนี้มันก็ไม่ยุติด้วยเหตุผลและความดี เพราะในใ น, ในกระบวนการเหล่านี้เราก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าะจะทรงแสดงในรูปของอริยสัจอริยสัจจะซุ่มซึมอยู่ทุกแห่งหมายความว่าพอเริ่มต้นมันก็เข้าสู่กระบวนการอาริยสัจสิ่งที่ปรากฏเนี่ยคืออะไรในอริยสัจ ในที่นี้เราจะเห็นว่าเราก็เจอเฉพาะตันหากับอุปาทานที่เป็นสมุทัยในอริยสัจก็อย่างอีกข้อหนึ่งก็คืออวิชชานอกนั้นมันก็เป็นบุญบาปแล้วกับกลางกลางคือผลแห่งความดีความชั่วกับสิ่งที่เป็นกลางกลางเช่นอะไรล่ะ เช่นวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาอันนี้กลางๆแล้วก็ไปกตัญหาอุปาทานอันนี้ก็เป็นสมุทยัยแล้วก็พบพบก็เป็นผลบุญผลบาผลของฌานแล้วกับ เป็นกลางๆคือเป็นโลกเป็นที่อยู่เป็นที่เกิดเป็นที่อาศัยของสัตว์มันก็มีเทานั น, น่ะสามกลุ่มดีไม่ดีก็กลางๆปฏิ ร, ะ, ระก็แสดงถึงเหตุเกิดตามลําดับแล้วก็พระก็ถามอีกอว่าวิญญาณคืออะไรเหตุเกิดแห่งวิญญาณคืออะไรความดับแห่งวิญญาณคืออะไรข้อปฏิบัติ้ถึงซึ่งความดับแห่งวิญญาณคืออะไร ปเทระก็ตอบว่าวิญญาณมีหกประการคือความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจเพราะสังขารเกิดวิญญาณจึงเกิดเพราะสังขารดับในวิญญาณจึงดับก็อย่างพระอาหารหันต์ในสังขารคือบุญบาปเนี่ยมันดับมัดับวิญญาณก็ไม่มีไม่มีที่เกิด ไม่มีตัวส่งให้เกิดเป็นไปชนที่วิญญาณขึ้นเพราะว่ากิเลสบรรดับไปหมดแล้วการที่บุญบาปดับเนี่ยแสดงว่ากิเลสดับหมดแล้วการเรียกว่าบุญบาปมันก็เรียกระดับของคนที่มีกิเลสอยู่แต่ระดับพระรยบุคคลเขาเรียกกุศลเขาไม่เรียกว่ากิเลสหรือว่าธรรมะ เรียกว่าธรรมะนัเรียกนะเรียกว่ากูศซก็เรียกแต่ไม่เรียกกิเลสเพราะว่ากิเลสไม่มีให้เรีย ก, ยกทีนี้วิญญาณเกิดก็เพราะสังขารไม่ใช่สังขารเกิดวิญญาณจึงเกิดเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับอธิยมรักไปองค์8ประการ น, นั่นเองเป็นข้อปฏิวัติได้ถึงซึ่งความดับไปแห่งวิญญาณ เมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดซึ่งวิญญาณเหตุเกิดแห่งวิญญาณความดับแห่งวิญญาณแล้วข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับแห่งวิญญาณหมายความว่าในที่นี้ก็คือรู้ตัวอะไรล่ะตัวเหตุเกิดก็คือสังขารแล้วก็ตัวเหตุได้ดับก็คืออะระยมรรคทีนี้ตัวความดับมันก็เป็นนิโรธก็สรุปว่า ก็คืออริยรสัจสี่เหมือนเดิมก็ได้เหตุเพียงเท่า น, นี้อริยสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่ครนแคร์มาสู่ประธรรมใ น, นนี้นี่ก็เป็นช่วงหนึ่งนะยังยังยังเหลือประเด็นสําคัญสองประเด็นคือประเด็นของสังขาร สังขารนั้นมีนัยยะที่จะต้องทำความกระจายอยู่หลายประเด็นแล้วก็อภิชานะเป็นส่วนหัวเพราะว่าแสดงมาจากส่วนปลายนะส่วนปลายก็ก็แลๆก็แสดงจากปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเราก็มีชาติแล้วก็มีชราแล้วเวลาเนี้ยเรามีชาติมีชรลาแล้วแล้วก็ถามย้อนหลังไป ถามย้อนหลังไปก็ไปเจอสาเหตุหลักคืออวิชชาอาวิชชานั้นที่จริงก็ไม่ใช่ทั้งหมดมันเป็นอวิชชาหรอกแต่ว่าจาบใดที่ยังไม่เป็นพระอาหารหันนี่ท่านยังเทียงอวิชชาอยู่ปนะรากฏตีดาบอาวิชชาได้ก็คือพระอาหารหันนั่นเยงแต่ว่าข้างบนท่านไม่ใช้คำตรงๆคือท่านใช้คำว่ากุศล ดังกล่าวสังขารเป็นภาษาที่ใช้ในกรอบเป็นใหญ่มากคือหมายความว่าทุกสิ่งที่มีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองเป็นสังขารมันบวกดินน้ำลงไฟอากาศอะไรต่างๆมันก็เป็นสังขาร น, นั่นนะเป็นสังขาร น, นั่น ปากกาด้ามหนึ่งมันก็เป็นสังขารคือของผสมกันอยู่เยอะกว่าจะเป็นปากกาหนึ่งด้ามช็อกหนึ่งอันก็เป็นสังขารย่อยๆหน่วยย่อยๆผสมกันก็กลายเป็นช็อกหนึ่งอันเพราะในกรอบตรงนี้กรอบมีวิญญาณครองไม่มีวิญญาณครองมันก็หมดโลกกันนะก็ไม่มีอะไรเหลือทีนี้เราจริงไปพบในขันห้าเนี่ย ในคณะสังขารในคณะเราจะเห็นว่ามันก็คือกุศลธรรมอกุศลธรรมและพยากาตะธรรมก็อยู่ตรงนั้นทั้งหมดเป็นเหตุให้เกิดเพราะว่าในสังขารคานั้นแหละมันมีนมอวิชชาอยู่ด้วยก็ทำให้เรามาเกิดในกำเนิดต่างๆหรือทําทำให้คนทำดีทำชั่ว ตามการปรุงแต่งของสังขารแต่ละประเภทในขณะนั้นนั้นทุกฝั่งทั้งหลายสมาธิที่สตรในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไยบูรณ์ในธรรมต้องมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี